พระธรรมเทศนาแผ่นที่72ลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่9กุมภาพันธ์2558มีชื่อเรื่องว่าห่มผ้าไม่สมฐานะวันนี้เป็นวันที่9้า กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558เมื่อเช้าวานหลวงพ่อออกไปแต่เช้ามืดไปกิจนิมนต์นิมนต์คราวนี้ครั้งนี้ก็คือเขานิมนต์ไปเพื่อเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจะบูรณนะ เสนาสนะของหลวงปู่มั่นที่ท่านเคยมาทุดงมาอยู่ที่บ้านค้อนาลายอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีของพวกเราเนี่ยนะห่างจากวัดของเราไปประมาณสัก5้0กสิกิโลที่หลวงปู่มั่นเคยมาพักจำบรรษาจากนั้นชาวบ้านเขาก็ทำกุฏิเล็กเล็กขึ้นมา แล้วก็มีกระเบื้องดินขอมงุงแบบง่ายๆเป็นพื้นกระดานเขาก็สมัยนั้นเขาก็ว่าที่หนึ่งคนที่จะได้ใช้ไม้กระดานไม่ใช่ธรรมดาโดยมากมีตั้งแต่พื้นไม้ไผ่ใชมากกว่าแต่นี่เป็นพื้นที่เป็นกระดานที่หลวงปู่มั่นมาจำพรรษา จากนั้นท่านก็ได้แกะพระพระพุทธรูปมาจากหินมาจากภูพบาตรก้อนก็อนองค์ไม่ใหญ่เท่าไหร่กั น, น่าตักประมาณสัก50เซนคงจะได้สูงก็ประมาณสัก60สิบเซนเที่หลวงพ่อไปดูเป็นพระพุทธรูปหินแต่เขาก็ปิดทองอปิดทองหมดแล้วนะ แต่จะเป็นพระพุทธรูปที่ว่าเขาคนโบราณคนยุคนั้นเขาก็บอกว่าหลวงปู่มั่นก็หลวงปู่แหวนเป็นคนแกะแกะสลักแกะหินหลวงพ่อกับโอไม่ใช่ธรรมดาแกะหินในยุคสมัยนั้นนะก่อเมื่อวานก็เลยในทอดผ้าป่าสามัคคีก็ได้ปัจจัยมากพอจุงขวนอยู่นะตามชนบทได้ขนาดนั้นหลวงพ่อก็ว่ามากแล้วละ่ะ ได้เงินทั้งหมดล้านากับแสนต้นต้นเมื่อวานาจุดประสงค์เขาก็คือกุฏิหลวงปู่มั่นหลังเล็กเขาจะทำหลังหนึ่งอีกครอบครอบไปให้ถูกแดดถูกฝนให้อยู่ในร่มจากนั้นก็จะเป็นจัดสถานที่ให้คนเข้าไปกราบไปสักการะไปกราบไปไหว้ กุติหลวงปู่มั่นที่หลวงพ่อไปเห็นเมื่อวานเนี่ยก็เขากับมุงในระดับหนึ่งแ ล, ะละ้วล่ะแต่ก็ยังไม่ดีพอเกิดห า, เ จ, าเจ้าภาพก็เลยในลูกหลานในถิ่นนะันะบ้านค้อนเพราะว่าบ้านค้อนเป็นบ้านเก่าแก่ดึกดำบันเป็นคู่กับบ้านผือกับบ้านกลางใหญ่เป็นบ้านที่เก่าแก่ของอุดรก็ว่าได้ นั้นเขาก็จะมีการรวมกันรวมกลุ่มกันทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนรักษามรดกของปู่ย่าตายายที่หลวงปู่มั่นมาพักภาวนาเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับลูกหลานต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อก็เห็นด้วยนะ ไ, ไปเมื่อวานก็ได้รวบรวมจตุปัจจัย ภายในวัดของเราไปร่วมสมทบนะลูกหลานนะสี่หมืนบาทเมื่อวานนะหลวงพ่อไปที่ไหนโดยมากหลวงพ่อมีตั้งแต่ไปร่วมช่วยจากนั้นหลวงพ่อก็ได้พอเสร็จจากบ้านข อ, อนารายอําเภอบ้านผือแล้วหลวงพ่ อ, อนั่นนั่งรถลงไปอําเภอหว้วยเม็ดจังหวัดกาลสินที่ท่านเจ้าคณะจังหวัด การสินท่านาประชุมพระสังฆาธิการคือเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะเจ้าอาวาสในในเขตของจังหวัดการสินมารวมกันแล้วก็มาทําความเข้าใจกันแล้วก็มาฝึกสิ่งที่ควรจะได้รับรู้รับทราบร่วมกันท่านก็ทําดีนะท่าน ให้พระทั้งหลายฝึกหัดสวดพระปฏิโมกให้ถูกอัคระก็คื อ, คอมีอาจารย์แล้วก็สอนแล้วก็สวดกันจากนั้นก็สอนวิธีการตัดเย็บตัดเย็บผ้าอัฐบริขารอันไหนที่ควรจะรับรู้รับทราบสอนกันหลวงพ่อว่าก็ดีเพราะต่อไปภายภาคหน้ามีแต่ใช้ของตลาดผลที่สุด พรกะก็เลยตัดเย็บไม่เป็นแหที่ท่านฝึกขัดเอาไว้กว่าดีเพื่อในการเรียนรู้วิธีการทำจากนั้นตอนกลางคืนเมื่อคืนน้เขาก็นิมนต์หลวงพ่อได้เป็นองค์แสดงธรรมชี้นำในคำกราบประนาเขาก็บอกว่าอยากจะให้หลวงพ่อพูดแนวแถวปฏิปทาของสายหลวงปู่มั่น คงจะได้ยินหลวงพ่อพูดในต่างกลําต่างวาระที่หลวงพ่อพูดนสถานที่ใดหลวงพ่อก็ยกพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเป็นประมาจาย์จากนั้นก็ยกครูบาอาจารย์หลงตาหาบัวหลวงปู่ขาวหลวงปู่ลาหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ต่างๆที่เป็นศิษยาณุศิษย์ของหลวงปู่มั่นมา เปรียบเทียบระยกเป็นตัวอย่างให้พวกเราที่เป็นอนุชนรุ่นหลังได้ฟังได้ศึกษาเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นว่าหลวงพ่ อ, อพูดในแนวแถวให้ยึดแนวแถวหลวงปู่มั่นเป็นหลักเขาคนนีมน้มโนหลวงพ่อไปพูดกับพระสังฆาธิการเมื่อคืนนี้พอเสร็จแล้วประมาณสักสองทุ่มวกว่าหลวงพ่อเขา ทีแรกเคคิดว่าจะไปทางสกนลนครเพราะว่าท่านอาจารย์ตุ้ที่งานเกี่ยวกับงานศพศพหรือว่างานใหญ่ๆหลวงพ่อก็เด้เรียกร้องขอกำลังท่านมาช่วยเกี่ยวกับน้าระบบน้ำเดี๋ยวท่านก็จัดงานฉลองฉลองศาลาของท่านหลงพ่อคิดว่าจะไปพอมาพิจารณาดูแล้วความปลอดภัย ในช่วงนี้ลดน้อยมันเยอะเหลือเกินแถบทางตลอดทางไปก็มโีโรงน้ำตาลทั้งสองสามโรงเลยทั้งกลุ่มพวาปีด้วยทั้งวังสามหมอด้วยทั้งชัยวานด้วยกว่าจะทะลุไปถึงอำเภอสว่างเพราะนั้นความปลอดภัยในจุดนี้หลวงพ่อกับคิดเป็นห่วงเหมือนกันก็เลยมาปรึกษาวา ก, กับทางใหญ่ดีกว่า ه, ก็เลยไม่ได้ไปงานของหลวงพ่อตุ้งกลับมาทางอำเภอน้ำพองแล้วก็มาสายใหญ่สายเมนเข้ามาอุดรแล้วก็กลับมาถึงวัดเมื่อคืนนี้มองดูนาฬิกายังไม่ถึงหกทุ่มยังเหลืออยู่สิบนาทีนั่นแหละหลวงพ่อไปนะลูกหลานในตะลิดเปิดเปิงเตะลึงเปิง เ, เ, เปิดแต่พอไปเทศจบแล้วเนยะ เขาก็ถวายการเทศหลวงพ่อ 5,000 บาทนะหลวงพ่อเออเอาปัจจัยที่เรานำไปจากวัดไปเพื่อเอาไปใช้ เ, เพื่อมีบางทีอาจจะมีปัญหากับรถ1 0 0่งบาทเอาโซเฟอร์เอาถวายเป็นค่าน้ำสำหรับพระสังฆาธิการนะ0 0 0บาทแล้วกการเทศหลวงพ่ออีก 5,000 ันหลวงพ่อยังสมทบยังไป เหมือนกับไปจ้างเทศลักษณะอย่างนั้นละหมื่นบาทวันนั้นวันนั้นหลวงพ่อไปที่ไหนไม่ได้ไปเพื่อมุ่งหวังอภายนอกนะลูกหลานนะอะ่มีไปที่ไหนพอที่จะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ได้หลวงพ่อก็ให้นะแต่ทิศยังไงพอออกมาข้างนอกหน่อยนึงเถอะนะพอจะขึ้นรถนะเนี่ย เ, เขาก็เห็นว่าหลวงพอ่อในชั้นขอถาวายน้ํามันค่ารถนะเออ แต่ขนาดนั้นก็ได้ทั้งสามผ่านอววิ่งลงไปกรุงเทพกับขุนมาอุดรก็ยังไม่หมดใช่ไนี่ยน่นะน้ำมันคารถดัสกับพอแล้วขนาดนั้น <c oughs> นี่แหละการไปของหลวงพ่อนะลูกหลานที่ได้บอกได้กล่าวให้ทราบการเดินทางลวดไปกับเพื่อทำประโยชน์ถ้าว่าผู้ต่อไปนี่หลวงพ่อพูดอะไรบ้างในเทศพัะสังคาที่การ หลวงพ่อก็เน้นหนักเรื่องกฎระเบียบเรื่องการสวดพระปฏิโมกข์หลวงพ่อเคยสวดมาที่ไหนที่บันตาสอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างไรแนวหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรหลวงพออง่อกับวันนี้การเป็นอยู่ด้วยกันเราจะไปคิดว่ามูพกเพื่อนมากดีทีเดียวก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามูพกเพื่อนมากมากยังไง มากศีลมากธรรมใช่ไหมหรือ่อมากโมโหโลภโหโมโกณนะถ้ามากชั่วนก็ชั่วมากถ้ามากดีมันก็ดีมากเพราะนั้นเราจะดีมากแล้วเราเราจะชั่วมากอันนี้ก็เราเอาอะไรเอาอะไรมาเป็นหลักเอาอะไรมาเป็นกฎเกณฑ์ เ, เราก็ต้องเอา หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบฉบับามาเป็นบรรทัดฐานามาเป็นตัวอย่าง อ, าอันนั้นคือเราเราต้องใช้สิ่งที่เปรียบเทียบคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอาันนั้นคือท่านรับรองมาแล้วเป็นสวากาตธรรมท่านตรัสไว้ชอบแล้วอนอกนั้นนะ่อย่าง ถึงจะเป็นกฎหมายก็เถอะบางทีก็เข้ากับหมู่กับเพื่อนกับพักกับพวกกับประเทศตัวตัวเองอย่างนั้นก็มี เ, เห็นแก่ตัวสรุปแล้วก็คือกิเลสผู้ออกกฎหมายก็คื อ, เ, อเพื่อปกป้องอในกลุ่มของตนเองเอไม่ใช่เป็นธรรมทั่วไปนันเราจะไปถือว่าใครมีพักมีพวกมีหมู่มีเพื่อนมากก็จะดีทีเดียวก็ไม่ใช่นะ บางทีก็เห็นแก่พักแก่พวกก็มนะีอย่างในครั้งพระพุทธเจ้านะลูกหลวงพ่อพูดอะไรลูกพ่อจะยกในพระไตรปิฎกนะมาเปรียบเทียบให้ลูกให้หลานได้ฟังอ อ, อันนั้นคือท่านผ่านมาแล้วท่านพูดมาแล้วนะในครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรท่านอูด้วยมากท่านก็เป็นคนกงราชสืบยุแล้วเป็นเศรษฐี เมืองบ้านนาลันทานท่านกับพระโมคาราท่านก็เป็นคนชาวกรุงราชสักยึกนะท่านก็อยู่ในแถบนั้นทีนี้พอตกท่านก็เป็นได้เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าอีกนคนทั้งหลายก็เลืองลือกั น, นอยู่ในแถบละแวกนั้นแต่ตามไม่จริงก็ ต่างคนก็ต่างเคารพนับถือเลื่อมใส ค, ครูใครอาจารย์เราทนี่มันไม่แพ้ในยุคสมัยนี้เหมือนกันนะทุกวันนี้ก็เนี่ยครูใครอาจารย์เราจุดนี้เลยเป็นจุดที่ทําให้ลูกสิทธิ์ลูกหายแบ่งแยกอาจารย์ของขาดเด่นอย่างนั้นดีอย่างนี้เก่งอย่างนี้ฮแต่ไม่ได้มองว่าหลักธรรมวินัยนั่นคืออะไรผู้บาอาจารย์ของเราก็อยู่ในหลักพระธรรมวินัยอยู่ในกฎระเบียบ เราเคารพนับถือเลื่อมใสเป็นศีลเป็นธรรมก็เป็นบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเราแต่โดยมากมันไม่เป็นอย่างนั้นพอยกอาจารย์องค์นี้ขึ้นมาแล้วก็บไปเหยียบอาจารย์องค์นั้นะออมันไม่มันดูแล้วมันไม่ถูกก็คือโดยมากกิเลสนะมันชอบเปรียบเทียบมันคือชอบเหยียบคนอื่นนะอันนี้มันเป็นมาตั้งแต่ดึกดนนะําบรรณนะเอสมัยนั้นก็เหมือนกันแต่นี้คนเออ ทั้งหลายก็ลงขันกันทำบุญอย่างทำบุญทาบุญเนาะประเทศเนี่ยนะทบุญแล้วก็ลงขันกันพอลงขันกันได้เงินมาแล้วก็ไปซื้อผ้ากำพลผ้ากาพลราคาแสนนะว่าผ้ากาพลราคาแสนไปวัละเอียดดีสวยงามมากจนถึงราคาแสนแสนกะหาปณะนะมันไม่ใช่ธรรมดามันคงจะสิบล้านกับทั้งทุกวันนี้มัง้ง ต่นี้ก็พอลงฐานกันได้แล้พอทําบุญเสร็จแล้วก็อย่างผ้าผืนนี้เราจะถวายใครเนี่ยเออเราจะถวายใครผ้าผืนนีเ้เสียงก็แตกกันเลยแต่นี่ยพวกหนึ่งก็บอกว่าน่าจะถวายพระสารีบุตรเพราะเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นคนกรุง ร, ราชาคฤห์เป็นผู้มีเป็นที่รู้จักมักคุณ้ณ เ, เป็นคน กรุงราชคักขพวกเราเป็นอา克拉สาวกด้วยเป็นที่ยอมรับของพุทธบริษัททั่วหัวและแหงก่มนึ่งบอกว่าเอพระเทวทัตเนี่ยท่านก็เป็นพระของพระเจ้าแผ่นดินของเราเป็นพระของพระเจ้าไอซาสตรโรมาจากราชสำนักแล้วก็ท่านน่ถึงภาษาริบตไม่ค่อยได้อยู่ไป ไปทางอื่นแต่เทวทัตเนี่ยอยู่กับบ้านของพวกเราตลอดอยู่กับเมืองของพวกเราตลอดแต่ก็จริงอยู่ท่านไม่ใช่กรุงคนกรุงราชคฤท่านมาจากเมืองวิเทหะกรุงกบิลพัทวิเทหะมาอยู่กับพวกเรานมนานพวกเราน่าจะถวายท่านผ้าผืนนี้ผลในสุดก็เลยเอาลงมติกันลงเสียงซาวเสียงกันลักษณะนั้น เออโผนวิสถูกก็เลยสู้พระเทวทัตไม่ได้พระเทวทัตชนะภาษาลิบุตรเออเพราะว่าเสียงเสียงมากกว่าเออบอกว่าเห็นเห็นสมควรที่จะถวายพระเทวทัตผ้าผืนนี่ผ้าราคาแสนเนี่ยจากนั้นก็นลงมติกันก็เลยมอบให้พอพระเทวทัตชนะเสียงข้างมากกว่าเอเขาก็เลยมอบผ้าผืนนั้นถวาย ให้กับพระเทวทัตนะพอพระเทวทัตได้ได้ผ้าผืนนั้นมาแล้วก็ชอบอวดนะเพราะกิมีกิเลสเนีอยมีกิเลสชอบอวดพอได้ผ้าผืนนั้นมาแล้วก็นั่นห ม, นนะมไปให้คนดูนะเนี่ยนะขาชนะมาแล้วเนี่ยได้ผ้าราคาแสนหอมพอหมผ้าเดินผ่านไปที่ไหน ไอ้พวกหมู่เทวทัตทางไลาเขาก็ซาทุซาทุนี่อไอ้พวกไม่ใช่กลุ่มเทวทัตก็ตาขมิง้งใส่อเออใช้ผ้าไม่คุ้มค่าผ้าพืนนี่น่าจะสมควรแก่พระอัครสาวกอันนี้ไปให้เทวทัตหม่มไม่เห็นด้วยฮะแต่จะทำยังไงได้แต่นี้ก็พระสงฆ์ อ, อะไรก็ไปกราบ พ, พุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นธรรมนะท่นเ เราจะไปตำหนิท่านไม่ได้เพราะท่านพูดเป็นธรรมท่านเป็นกลางฮะพรอง์บอกว่าเออเทวทัตคล้องผ้าใช้ผ้าคุมผ้าห่มผ้าไม่ไม่สมฐานะนี่ไม่สมฐานะของตนเองเนี่ยไม่ไม่ใช่แต่ชาตินี้นะชาติที่แล้วก็เคยมีเหมือนกันไงเนทวทัตคล้องผ้าไม่ไม่สมฐานะของตนเองตอนนี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระพุทธเจ้าฆ่า ที่เทวทัตใช้ของผ้าไม่สมฐานะพราะพระองค์เล่าเป็นอดีตแต่ชาติให้ฟังในอดีตการผ่านมาแล้วพระองค์พูดเป็นชาดกมีช้างป่าอยู่ในป่าดงพงไพรมีช้างใหญ่เป็นจ่าฝูงแล้วก็มีบริวารเป็นหลายพันตัวแต่นี่นายพันป่า ผ่านช้างนะไปหายิงช้างเอางานะตัวไหนงาไงาสวยๆงามๆนะไปยิงเอาเทนี้พอเข้าไปไปพอเห็นช้างช้างมันเห็นมันก็มันถูกกลิ่นช้างมันดีมันเป็นฝูงนะเอี่ยมันจะฆ่าเอาเอาแล้วก็เข้าพอได้กลิ่นมันก็หลบมันก็บอกหมูของมันนายผ่านะนนหายิงช้างนะหายิงยากเหลือเกิน แต่ไปเห็นช้างจ ำ, จำนวนนะั่งเคารพพระประเจกพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าท่านอยู่ในป่าเวลาเสร็จแล้วท่ามาสงน้าในสระในริมสระอพอเห็น พ, พวกช้างเหล่านั้นเห็นพระประเจกท่านมานั่งคุกเขา่านอนคุกเข่าหมอบแล้วก็แสดงความเคารพแล้วก็ไปหากินตัวไหนมาก็แสดงความเคารพหมอบแล้วก็กราบก็บไปหากิน เอให้เขาไปเห็นผ้ากาสาวพัดของพระประเจกเนี่ยคลองคลองนะแต่นี่นายพรานทนได้เห็นอถ้าเราไปขโมยเอาผ้าพระประเจกเนี่ยมาหม่มนะก็ช้ามันก็คงจะเคารพเหมือนกันเนี่ยลนะเอากันนนี่แหมันขี่ขโมยไอ้นักเลงน่ยมันเป็นอย่างงั้นนะมันหาช่องหาทางนะกีดเล็ดเหมือนันเะแต่นี่นายพรานเนี่ยก็เลยในขณะที่พระประเจกลงไปอาบน้ําเหมือนกันนี่ย นายพานิ่ย์ย่อ ง, องไปกไ ป, ไปขโมยผ้าพระประเจกถเนี่ยพระประเจกกําลั ง, งลงไปส่งน้ำํำมันมันคงจะบาปกรรมหลายต่อเหมือนกันนะนายพาณิชย์ลงไปขโมยอผ้าพระประเจกขึ้นมาแล้วก็หอบเข้าป่าแล้วงั้นเถอะพลานพอไปเห็นทางช้างมานยพอช้างมา เ, เอาผ้าคอมหัวเป็นสีผ้าพระประเจศถึงเนียผ้ากาสาวพัดนะ ช้างมามันก็แสดงความเคารพเพราะว่ามันก็เข้าใจว่าเป็นพระปเจกใช่ไหมตัวไหนมาก็กราบพอกราบตัวไหนองค์ตัวสุดท้ายมาตัวนี้ตัวสุดท้ายมาตัวงามมันสวยมันงามนะเาลยปรับเอาธนูที่ซ่อนไวใน้ในห่ ม, ล, มล่มผ้าตัวเองเหยิงเลยเอยพอยิงเสร็จแล้วก็ม้วนผ้าจีวรเก็บเปิดแหนบไปทางอื่นซะก่อน ช้างตอนนั้นมันก็ถูกลูกศรใช่ไหมล่ะลูกศร อ, อาบด้วยยาพิษมันก็วิ่งตเตลิดเปิดเปิงอพอวิ่งไปมันก็ล้มตูมลงไปมันก็ตายไอนี่กันนั่นแหละพอมันตายมันไปสายไหนก็ตามไปก็ไปเห็นนลยไปตัดเอางามันขายเอามาขายได้งามันแล้วแต่ี้ช้างทั้งหลายก็าล้อยหลอลงไปเรื่อยๆทีนี้เอ๊ะทำไมหัวหน้าช้างน่ยจ่าฟูงเน่ะ มันทำไมมันเป็นอย่างนี้ว่าช้างเราทำไมตายมันบ่อยเหลือเกินเนี่ยมันคงจะมีอะไรน่าแต่เราก็ไม่ได้สงสัยอย่างอื่นเราสงสัยไอ้ตัวนี่แหละตัวเอกคองผ้าห่มผ้าพระประเจกเน่ะคุมหัวไปอยู่ไอ้คุมอยู่นั่นน่ะมันเป็นพระประเจกจริงหรือเปล่านะเนี่ยนี่ยอันนี้ก็คือผู้เป็นหัวหน้านะเออถ้าเป็นลูกน้องไม่ได้คิดได้อ่านนไปก็เห็นกราบแล้วก็แล้วไปแต่หัวหน้าเนี่ย เป็นก่อนที่จะเป็นหัวหน้าคนได้เนะี่ยต้องเป็นผู้สังเกตนะใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบที่จะควบคุมจ่าฝูงได้อนะช้างตัวนั้นมันเกิดมันคงจะเราสงสัยเลือเกินมันคงจะเป็นอคองผ้าห่มผ้านี่ยมั้งช้างตัวหัวหน้านะ่ะมันเกิดแต่นี้มันก็ดให้ช้างตัวอื่นไปช้างตัวอื่นล่ล่าล่าหลัลลงไป แต่ช้างที่เป็นหัวหน้าเนี่ยงางามได้งาสวยได้อ่าโหในสุดคนนั้นแ่ะเดินไปเดินตามหลังไปเดินห่างๆตามหลังไปออพอเห็นท่านนายคำังธนูเนี่ยทับพรานเนี่ยกัองลูกศอนได้จะปล่อยลูกศรช้าเนี่ยปีเลยเ อ, อหลบลูกสอนได้ก็กไปขยุ่มเลยไปตบเปล่าไงแต่พอตบขึ้นมาแล้วโอ้ เออถ้าเราฆ่ามันก็เราขาดความเคารพในพระประเจกพุทธเจา้าเพราะว่ามันมนในผ้านี่มันคล้องผ้ามันคุมผ้าผ้ากาสาวพัดเป็นผ้าพระประเจกพุทธเจา้าถ้าเราฆ่าเนี่ยก็เหมือนกับเราไม่เคารพธงชัยเอ่อธงธงชยังงชยคือเป็นผ้าของพระประเจกพุทธเจา้าคือธ ง, งชัยคือผ้าของพระร ห, ан, หนันผูดง่ายๆผ้าของพระราหันเราจะไปฆ่าคน ในการของผ้าพาาระล้านนี่ไม่สมควรยิ่งนั่นแหละขนาดนั้นแหละช้างท่านก็เลยไม่ฆ่าก็เลยบอกอย่าทำอีกต่อไปนี่แหละอันนี้ก็คือสมัยนั้นพระเทวทัตเกิดเป็นนายพรานแล้วก็ขมโมยผ้าใช้ผ้าพระประเจกใช้ผ้าไม่คุ้มค่าแต่มาคราวนี้ก็เหมือนกัน ใช้ผ้าของชาวบ้านที่เขาลงขันกันแต่ยังมีกิเลสอยู่ไม่สมควรที่จะใช้ผ้าราคาแพงถึงขนาดนี้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะฟั ง, ฟ, งฟังเอาไว้การใช้ผ้าก็ต้องมีกฎระเบียบอย่เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าท่านท่านตรัสท่านตำหนินะเพราะนั้นออพอให้ถูกศีลถูกธรรมถูกหลักธรรมพนายแล้วก็พอ่อ จะออนไลน์เองนี่แหละสรุปแล้วก็คือหมูมากหมูน้อยสรุปแล้วก็คือหมูมากไม่ใช่จะดีทีเดียวเ อ, อหมูมา ก, กไปตกนรกตกหลุมใหญ่เหมือนกันนะต้องทําโกงขังใหญ่เหมือนกับคนควาทำความชั่วนะคนขายยาบ้ามากๆทั่วประเทศนะจับไปขังจับไปขังจับไปขังผลที่สุดก็ต้องทำาคกให้ขึ้นมาอีกให้มันใหญ่ เนี่ยพราะอะไรพราะขังขังคนชั่วมากใช่แต่ถ้าว่าคนชั่วไม่มากนะ่มันก็ไม่ต้องทําไม่ต้องไม่ต้องสร้างคุ้คุกใหม่อีกนะนี่แหละถ้าว่าคนเราต้องดูคนดีแล้วคนชั่วฮน ะ, ะถ้าว่าเป็นหมูชั่วเนะี่ยถ้ามีหมูชั่วมากๆมันก็บาปมากความชั่วมากอสิ่งที่ไม่ดีมากนะมันไม่ดี เพราะนั้นให้พวกเราตรวจตราดูใจของเราอีกเหมือนกันนะถ้าเราคิดทางไม่ดีมากๆมันก็ไม่ดีนะเพราะนั้นคิดยังไงก็คิดดีคิดถึงศีลคิดถึงธรรมคิดเมตตาไปที่ไหนอยู่ที่ใดมีแต่ความเอือ้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันมีแต่ความเมตตาต่อกันมันไม่ถึงร้อยปีแต่ต่างคนต่างไปเลยจะเป็นโรบหัวโหมกละ โลกโหโมกณนะอะไรมากมายนักหนาจะไปดูถูกเย็ดยามอะไรใครมากจนเกินไปมีอะไรพูดดีทำดีพูดดีดดดคิดดีนั่นละอยู่ด้วยกันถึกจะมากจะน้อยก็ร่มเย็นเป็นสุขทั่วนหน้ากันวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสำหรับพระลูกพหลานศรัทธาญาติโยมออตอนนี้ไปรับพรณทฐนีนะ